เรื่องท่านพระอานนท์เผลอสติสมัยนั้นท่านพระอานนท์เผลอสติครองอุตราสงกับอันตรวาสกเข้าไปบินทบาตในหมู่บ้านพวกภิกษุได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านอานนท์พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติห้ามไว้ไม่ใช่หรือว่าภิกษุมีแต่อุตราสงกับอันตรวาสก ไม่พึงเข้าหมู่บ้านทำไมท่านจึงมีเพียงอุตราสงกับอันตรวาศเข้าหมู่บ้านเล่าท่านพระอานนอตอบว่าใช่ขอรับพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติห้ามไว้แล้วว่าภิกษุมีแต่อุตราสงกับอันตรวาศไม่พึงเข้าหมู่บ้านแต่ผมเข้าหมู่บ้านเพราะเผลอสติภิกษุทั้งหลาย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 เป็นฤดูที่หมายรู้ว่าฝนจะตก 3. ไปสู่ฝั่งแม่นม้ำา 4. วิหารมีกุญแจคุมแน่นหนา 5. ได้กรานกระถินแล้วภิกษุทั้งหลายเหตุจำเป็นเพื่อเก็บสังฆาติมี5้าอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายเหตุจำเป็นเพื่อเก็บอุตราสงมี5อย่างคือ 1. เป็นไข่สองเป็นฤดูที่หมายรู้ว่าฝนจะตกสามไปสู่ฝั่งแม่น้ำสี่วิหารมีกุญแจคุมแน่นหนาห้าได้กรานกระถิ่นแล้วภิกษุทั้งหลายเหตุจำเป็นเพื่อเก็บอุตราสงมีห้าอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลาย เหตุจำเป็นเพื่อเก็บอันตรวาสกมี5อย่างคือ 1. เป็นไข้ 2. สังเกตเห็นว่าฝนจะตก 3. ไปสู่ฝั่งแม่น้ำา 4. วิหารมีกุญแจกลุ่มแน่นหนาะ 5. ได้กรานกระถิ่นแล้วภิกษุทั้งหลายเหตุจำเป็นเพื่อเก็บอันตรวาสกไว้ มีห้าอย่างนี้แหละภิษุทั้งหลายเหตุจำเป็นเพื่อเก็บผ้าอาบน้ำฝนไว้มีห้าอย่างคือ 1. เป็นไข้ 2. ไปนอกสีมา 3. ไปสู่ฝั่งแม่น้ำา 4. วิหารมีกุญแจคุมแน่นหนา 5. ผ้าอาบน้ำฝนยังไม่ได้ทำ หรือทำค้างไว้ภิกษุทั้งหลายเหตุจำเป็นเพื่อเก็บผ้าอาบน้ำฝนไว้มีห้าอย่างนี้แล